นี่เป็นเรื่องที่แปลกที่น่าคิดน่าพิจารณาทางโลกอาจจะว่าแปลกประหลาดผิดเพี้ยนไปก็ได้แต่ในทางธรรมเป็นเรื่องที่ชวนคิดพิจารณาดังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในหลักอิทธปัจจะตาว่าเพราะมีเหตุอย่างนี้จึงต้องมีผลอย่างนั้นหรือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นในขณะที่โยมแม่ กำลังนอนอยู่ไฟนั้นในยามค่ำคืนดึกสงัดเดือนเมื่อสนิทไม่ทราบว่ามีอะไรมาโดนจิตโดนใจของท่านให้เดินเข้าไปในป่าช้าเพียงลำพังพอถึงเวลารุ่งสางยมพ่อและญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านเกิดการโกรหนกันยกใหญ่ว่าอีถุงจ้อยมันหายไปไหนในห้องอยู่ไฟก็ไม่มีจะมีก็เพียงแต่ทารคตัวในน้อยนอนนิ่งอยู่ไม่ร้องไห้ ส่วนแม่ของมันหายไปไหนต่างคนก็ต่างถามหาเที่ยวถามหาและค้นหากันจ้าละวันมีบางคนในหมู่บ้านขามป้อมเจ๋งในการสะกดรอยจัดป่าจึงชี้ทางบอกว่ารอยเท้าอิดถุงจ้อยมันหายไปทางป่าช้าอันเป็นป่าดงดิบโน้นคนทั้งหลายก็แห่ตามกันไปทางป่าช้าที่เผาศพเมื่อคนทั้งหลายติดตามไปภาพที่ปรากฏในป่าช้าเบื้องหน้านั้นก็คือ นางถุ่มจ้อยกำลังนั่งสมาธิอยู่ต่อหน้ากองฟอที่ผ่านการเผาศพมาใหม่ๆกลิ่นไอแห่งซากศพยังกุ้กลุนอยู่กิริยาของแม่ถุ่มจ้อยสงบนิ่งหน้าตาผ่องใสเหมือนไม่ใช่คนอยู่ไปหรือคลอดบุตรมาใหม่ๆยมพ่อและญาติญาติจึงนำยมแม่กลับบ้านพร้อมกับคำถามที่เกิดขึ้นกับหัวใจทุกๆคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำบันดลหรือหรือว่าเทพบันดาล ก็หรือว่าพิหาซาตานมาโดนใจถ้าหากทำบันดลทำไมต้องมาในที่ที่ชาวโลกเขาว่าเป็นอัปมงคลถ้าหากว่าพิหาซาตานนำไปทำไมจึงต้องไปนั่งสมาธิถ้าหากว่าเป็นเทวดาโดนใจทำไมต้องพามาป่าช้าอันเป็นป่าหนาทึบน่าสะพึงกลัวมีสัตว์ร้ายร้ายอาศัยอยู่เป็นที่ผู้คนไม่สัญจรไปมาแล้วเกิดอะไรขึ้นต่างคน ก็ต่างซุกซิบซักถามโต้ตอบซึ่งกันและกันโกรหลวุ่นวายเมื่อมีคนถามโยมแม่ถุงจ้อยท่านก็ไม่พูดว่าอะไรเพียงแต่บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพวกมองอยากรู้ก็ไปถามผีป่าเทวดาเอาเองก็แล้วกันเมื่อโยมแม่พูดอย่างนั้นผู้คนก็เลิกถามกันไปเองด้วยเหตุนี้เองลุงผู้รีมหาวีโรในสมัยเป็นเด็กนั้นท่านจึงเป็นที่พิศวง และเป็นที่จับตามองจากญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มีความเชื่อนับถือเป็นประดุษเทพเจ้าท่านจึงเป็นเด็กที่พิเศษที่สุดในหมู่บ้านนั้นแม้ท่านจะเจริญวัยเติบโตขึ้นมาเท่าใดแต่ความเชื่อของชาวบ้านที่ว่าท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดนั้นก็ไม่จางหายไปทุกทุกคนต่างจับจ้องตาดูทารกน้อยเด็กน้อยเด็กชายและนายสีคนนี้มาโดยตลอดว่า อนาคตการข้างหน้าจะเป็นอย่างที่ปู่ย่าตายายให้โหนทํำนายไว้บ้างหรือเปล่าหนอเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็สอนให้ทํางานง่ายๆชี่ควายออกไปเลี้ยงตามท้องทุ่งคอยเฝ้าดูมันไม่ให้มันไปเหยียบย่ำพืชไร่พืชสวนข้าวกล้าของชาวบ้านเขายามเย็นไล่ควายเข้าคอกก่อไฟไล่ยูงให้มันแล้วก็ช่วยพ่อแม่ตักน้ำหาบน้ำรดผักสวนพริกสวนยาสูบฤดูทํานา ไปช่วยหาพอนต้นกล้าไปยังแปลงนาที่จะปักดำฤดูเก็บเกียวเรียงฟอนข้าวมัดข้าวด้วยตอกนำขึ้นสุลานลอมชีวิตในท้องทุง่งสนุกสนานตามฤดูกาลไม่น่าเบื่อตามท้องไร่ท้องนามีธรรมชาติดาดเดินยิ่งในปลายฤดูฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนยี่เรื่อยไปจนถึงเดือนสามดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วป่าทรงกลิ่นหอมหวนชวนให้เด็ดดมเช่นดอกตะมั่งดอกเล็บมือนาง ดอกพยอมดงดอกสารพีลํารวนคัดเขาดอกจิกดอกรั่นดอกนมวัวดอกนมแมวดอกเหมือดดอกกระถินป่าเป็นต้นในฤดูที่ดอกไม้บานเราและเพื่อนที่กําลังไล่ควายกลับบ้านในยามเย็นต่างพากันแวะปีนมโน้มคว้าหักเอาจริงที่ไม่ดอกบานสะพรั่งติดไม้ติดมือกลับบ้านมาคนละจริงสองจิงเพื่อให้พ่อแม่ได้บูชาพระในตอนเย็น และถวายพระในตอนเช้าเรามีนิสัยนึกในบุญกุศลเสมอนี้คงเป็นเระบุญกรรมที่เคยทำไว้ในบุพเพชาตเรานี้มีความไม่พอใจกับพ่อกับแม่เพราะว่าได้พิจารณาเห็นในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยพ่อแม่รักมากจึงเป็นการเสริมจิตใจให้เคยชินจนเป็นนิสัยสอนยากตอนหลังเมื่อมาสอนตอนเองจึงเป็นคนสอนยาก เป็นเหตุให้คิดถึงว่าเป็นเพราะพ่อแม่ทำดีกับเราไวมากรักเรามากผู้คนก็รักเรามากเอาใจเรามากเราจึงปล่อยใจไหลเลยไปตามกิเลสจนเคยชินเป็นนิสัยเกือบจะไม่ได้ดีถ้าหากว่าพ่อแม่ท่านดัดนิสัยของเราหนักหักสักหน่อยเราคงไม่สอนยากถึงขนาดนี้ที่พ่อแม่รักเรามากเพราะเราเป็นลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่ในขณนะนั้น ตอนเป็นเด็กป่วยเป็นฝีดาษเกือบล้มเกือบตายอยู่หลายครั้งหลายคราวเรายังจำได้ไม่ลืมสมัยยังเป็นเด็กน้อยๆพ่อแม่ก็เคยมีลูกผู้ชายแต่ว่าตายไปหมดเหลือแต่เราคนเดียวนอกนั้นมีแต่ลูกผู้หญิงในระยะอายุห้ถึงปีเราเองเป็นเด็กป่วยหนักอาการปางตายพ่อแม่ก็พยายามรักษาแต่ในที่สุดก็หายด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่ จึงเอาขันโตกมาให้นั่งแล้วให้พวกพี่สาวน้องสาวเอาดอกไม้มากราบไหว้กันอันนี้เราจำได้ไม่ลืมพ่อแม่ของเรามีความเชื่อเป็นอย่างมากว่าเราเป็นบุคคลที่สาคัญลักษณะไม่เหมือนเด็กทั่วไปเมื่อเราโตขึ้นจะได้ดิบได้ดีจึงให้พี่น้องทั้งหมดเคารพหลังจากกลับจากโรงเรียนพี่น้องก็จะมากราบไหว้กันในขณะที่เป็นเด็กน้อยอยู่นั้นเมื่อหลับลงจิตมันจะดิ่งลง เหมือนคนตกตึกแล้วไปปรากฏนิมิตเห็นคนล้มตายเห็นซากศพคนหัวขาดพระเนรนาศนอนเกลื่อนหล่นทับผมกันเหมือนกองภูเขาหน้าขยะขยะหน้าสะพึงกลัวเป็นที่สุดจิตแสดงนิมิตให้เห็นเป็นอาการต่างๆว่าคราวไหนเกิดคราวไหนตายเห็นร่างของตัวเองเที่ยวเกิดเที่ยวตายการเกิดแต่ละชาติพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปไม่ซ้ำกัน เปียนรูปร่างลักษณะไปเรื่อยๆประหนึ่งว่าเราสัตว์ตบโลกนี้ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นพี่น้องกันไม่มีในโลกบางทีผู้ที่เคยเกิดเป็นแม่เราในชาติปางก่อนในชาติต่อมาก็มาเกิดเป็นเมีเราบางทีพี่หญิงหรือน้องสาวก็เคยมาเกิดเป็นแม่เราบางทีพ่อก็เคยมาเกิดเป็นลูกของเราพบชาตินี้ช่างวุ่นวายจริงหนอร้อยอันพันอย่างแท้จริงๆ จิตนี้ไม่เห็นภาพพบชาติต่างๆไม่รู้ว่าใครต่อใครเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรบ้างเป็นไปต่างๆยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่กับการเกิดแก่เจ็บตายปรากฏเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนเพียงอย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงได้รับพุทธปยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าจึงจะมีพ่อแม่เดียวจนกระทั่งท่านตรัสรู้อนุตรสสัมมาสัมโพธิญาณได้ แต่สำหรับสัตตวโลกทั่วไปแล้วกลเปเรื่องพบเรื่องชาติที่อาศัยกิเลนและกรรมเป็นเครื่องนําทางแต่สําหรับเราสัตตว์โลกที่มืดบอดแทบจะมองย้อนหลังไม่ออกว่าเคยเป็นอะไรต่อม่อะไรใครบ้างหนอเคยเกิดเป็นลูกใครหลานใครเลนใครบางทีผู้ที่เคยเกิดเป็นพ่อกลับมาเกิดเป็นลูกถูก ผ, ผู้ที่เป็นลูกเคี่ยนตีก็เท่ากับว่าตีพ่อตัวเอง วัตบนสับสนวุ่นวายปนเปกันอยู่อย่างนี้บางทีก็น่าหัวเราะบางทีก็น่าร้องไห้ไม่ทราบว่าจะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ดีจิตเกิดสรดสังเวชสุดจะประมาณได้เกิดความตื่นเต้นและตื่นกลัวในสิ่งที่จิตพบเห็นในคราวนั้นไปพร้อมๆกันในบางครั้งภาพนิมิตเหล่านั้นก็แสดงอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงมักจะตื่นขึ้นมาในกลางดึกพ่อแม่ ก็มาโอ้โหลมให้นอนสอนให้สวดมนต์จึงนอนหลับต่อไปได้อีกเราจึงมาพิจารณาได้ตอนหลังที่ได้ปฏิบัติธรรมรู้เรื่องราวของจิตใจแล้วว่านี้มันเป็นเรื่องของสมาธิทั้งดุน้นเป็นสมาธิที่มีความรู้แต่สติตามไม่ทันความรู้สมาธิที่เป็นมาตั้งแต่เด็กจึงยังใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ตามใจคอยดัดนิสัย คอยดูด่าว่ากล่าวไม่ตามใจแล้วละก็เราจะรู้เห็นธรรมะได้ตั้งแต่วัยเด็กและจะเข้าทางธรรมได้สนิทเร็วกว่านี้และจะได้ดีเร็วขึ้นกว่านี้อีกไม่เสียเวลาเนิ่นนานถ้าหากได้ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงในทางธรรมมาอบรมสั่งสอนถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กบ้านนอกแต่ค่อนข้างจะเป็นคนโชคดีมากคนหนึ่งที่เกิดมามีบิดามารดามีสายตากว้างไกลสนับสนุนในการเรียนสม่ำเสมอและโชคดี ที่หมู่บ้านขามป้อมมีโรงเรียนประชาบาลระดับปฐมศึกษาอยู่ในวัดซึ่งหมู่บ้านอื่นเขาไม่มีหมู่บ้านอื่นต้องเดินทางรอนแรง ม, มาเรียนที่โรงเรียนประชาบาลในวัดบ้านของเราเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรการเรียนก็ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนศาลาโล่งแจ้งไม่มีฝากั้นมองได้ไกลสุดสายตามองเห็นทุ่งนาเขียวขจีเสียงกระดิ่งของวัวควายที่เดินเลาะเล็มหญ้าเสียงว่าวจุลาติดธ น, นู ดังแววมาเป็นระยะเป็นเหมือนเสียงเพลงขลับกล่อมเด็กๆสนุกสนานในท้องนาป่าน้ำถึงยามฝนฝนก็สาดถึงยามหนาวก็หนาวจับใจเสื้อกันหนาวจะหาใส่ก็ไม่มีถึงยามร้อนก็ร้อนจัดพยับแดดระยิบระยับการเรียนเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นโมลกอขอประถมกอกาจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนคือชั้นประถมศีสมัยเป็นเด็กเราเป็นเด็กที่ขาดตาขาว เป็นจอมกลัวผีหลอกตอนกลางวันแสกๆพ่อแม่ใช้ให้เข้าไปเอากระติบข้าวอยู่ในบ้านในเรือนไม่กล้าเข้าไปย่องแล้วย่องอีกมองแล้วมองอีกกลัวเห็นผีกลัวผีเห็นคล้ายๆว่ามีผีแอบมองแอบจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาในเวลาค่ำคืนขึ้นลงบันไดบ้านก็ไม่กล้าขึ้นลงคนเดียวเพราะกลัวผีจับแข้งจับขาก็จะไม่ให้เรากลัวได้อย่างไร เพราะในเวลากลางคืนนอนฝันเห็นแต่ภาพผีหัวขาดและซากศพอยู่เสมอเราอายุเจ็ดปีแปดปีเป็นเด็กพ่อแม่พาไปวัดฟังเทศฟังธรรมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเข้าวัดกราบพระฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปนอนที่บ้านก็นอนหลับฝันดีฝันเห็นพระพุทธเจ้าพ่อแม่เห็นที่ใสเราเป็นอย่างนั้นท่านให้บวชเป็นเนนก็หลายครั้งหลายหน พ่อแม่ให้บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านขามป้อมนี้เองโดยมีท่านพระครูโพธาพิทักษ์วัดโพธารามเป็นพระบประชาจาร์บวชสามครั้งสี่ครั้งท่านให้บวชไปอยู่กับครูบาที่วัดซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันไม่ได้มาบวชเนนนิสัยทางาศาสนาคงมีมาดั้งเดิมคนอื่นฝึกธรรมดาบวชธรรมดาแต่ว่าเราฝึกเอาจิงเอาจังเริ่มมาฝึกใหม่ฝืนใหม่ เดิมเป็นคนที่ขาดตาขาวที่กลัวหลังจากบวชแล้วพระท่านสอนให้พิจารณาแผ่เมตตาโอ้ยมันไม่รู้จักกลัวละคนตายก็ไม่รู้สึกกลัวเลยในขณะเป็นสา ม, มเณรอยู่วัดบ้านขามป้อมพวกพระในวัดบางรูปฉลาดมีความรู้พาการทำเหรียญกระส์ปลอมข่าวแจ้งถึงตำรวจเขาจึงเข้ามาตรวจคน้นพระเนนที่ทาผิดพากันวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนพยายามพากันเอาหาย และถังที่บรรจุเหรียญกระสาบต่างๆเหล่านั้นไปโยนทิ้งลงในตะเราเองไม่ได้ร่วมทำผิดกับเขาได้แต่ยืนหัวร้อยดูอยู่เพราะเราไม่มีนิสัยในทางหลอกลวงคนอื่นนิสัยของเราเป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้แต่เวลาเล่นในวัยเด็กถึงจะเป็นการเล่นแต่ก็ต้องเอาชนะให้ได้เสมอสมัยก่อนวันศีลวันพระเราเล่นตามระสาเด็กๆต้องเล่นเป็นพระ เอาผ้าผ้าเฉลียงบ่าเหมือนพระหอมจีวร น, นั่งบนตังหรือเตียงแล้วจะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแต่งขันห้ามาทุกคนยกมาแสดงสัมมาคารวะถ้าไม่ทํามาเราจะแกล้งร้องห่มร้องไห้ภุมปลาจนกระทั่งพวกเขาทขําขันห้ามาครบทุกคนเสร็จแล้วจึงจะแกล้งให้พรยถาสัพพีเมื่อเลิกราจากการเล่นเรียบร้อยแล้วเราจะแอบมานั่งหัวเราะพอใจในภายหลังคนเดียว เพราะแกล้งพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนได้สำเร็จลุงปุ๋ีท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีท่านตองยอ้มว่าโอ๊ยแต่ก่อนเรามันไม่ยอมใครง่ายๆนะเรานี่เมื่อศึกจากธารมเนตรแล้วยมพ่อยมแม่ได้นำเราไปฝากไว้ที่บ้านคุณครูประจบประจิรณะในอำเภอวาปีปทุมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้าและหกก่อนไปคุณตากัญชา ได้อกรมสั่งสอนเราผู้เป็นหลานให้ตรหนักอยู่เสมอว่าถ้าอยากรู้รสชาติของชีวิตว่าหนักหรือลำบากสู้ทนกล้ามเกลื่นแค่ไหนนั้นให้ลองไปอยู่กับคนอื่นบ้านอื่นที่เขาเหนือกว่าเรามีสิทธิ์ว่าเรากล่าวข่มเราเราไปอยู่กับเขาต้องเป็นคนรับใช้เขาลำพังอยู่กับพ่อกับแม่ที่รักเราอย่างเดียวเราจะไม่มีวันในลิมรสหรือพบความทุกข์ยากลาบากอย่างแท้จริงหลานเอ้ย จงรู้จักมู่มานะภาคเพียนเรียนวิชาเพื่อความก้าวหน้าให้สูงขึ้นไปชีวิตที่ลำบากตั้งแต่ต้นจึงมักมีผลดีในบั้นปลายให้จดจำคำสอนของตาเอาไว้ครั้นสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนประจำอำเภอวาปีประทุมแล้วในปีพุทธศักราช2478เราจึงได้โอกาสเข้าไปศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 2 3 ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมจังหวัดมหาสารคามเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงประจําจังหวัดได้อาศัยพักเป็นเด็กวัดอยู่กับพระที่วัดโพในตัวจังหวัดมีความตื่นตาตื่นใจในชีวิตในเมืองได้เห็นรถยนต์มีคนถีบจักรยานหนาตาขึ้นแต่ถนนหนทางแม้อยู่ในตัวจังหวัดก็ยังเป็นดินลูกกรังกรวดหินปนทรายเป็นเด็กวัด ต้องไหวพระสวดมนต์กวาดลานวัดทำความสะอาดศาลาเหี่ยวปิ่นโตเดินตามหลังพระบิณาบาตเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านใครไม่เชื่อฟังท่านก็จะไล่หนีหลงปูหลงตาในวัดนั้นท่านจะสอนอยู่เสมอว่าเธอไปทิ้งนาทิ้งไร่มาศึกษาเล่าเรียนจงตั้งใจเรียนให้จริงให้ตื่นแต่ดึกศึกษาแต่หนุ่มเรียนให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนวาเยเมเทวปริโส เกิดเป็นชายต้องพยายามร่ำเรียนจึงประสบความสำเร็จเธอจงมีน้ำอดน้ำทนเข้มแข็งมุ่งความก้าวหน้าจริงจังโดยถือคติที่ว่ามักง่ายได้ยากลำบากได้ดีพอถึงปีพุทธศักราช2480จึงเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามความตั้งใจปีพุทธศักราช2481สอบบรรจุครูได้ เริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนวัดบ้านชาดฝางหัวเรือตำบลหัวเรืออเภวาปีประทุมจังังวดมหาสารคามปีพุทธศักราช2482ย้อนมาสอนที่โรงเรียนนองกรุงตำบลเสือโก้อเภอวาปีปทุมจังังวมหาสารคามเราเป็นครูน้อยแต่มากไปด้วยอุดมการ์ไม่ชอบให้ครูใหญ่มาบงการในสิ่งซึ่งไม่ชอบธทำเราเป็นครูหนุ่มใหม่ๆเรือดร้อนเป็นคนระหำ เหมือนที่หมอโหนได้ทำนายไว้เมื่อเห็นกิริยาของครูใหญ่ยิ่งจองห้องลำพองตนชอบใช้อำนาจเกินขอบเขตไร้เหตุผลในการทำงานไม่เอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอนเด็กทำให้เกิดความอึดอัดใจขอย้ายก็ไม่ให้ย้ายจึงตัดสินใจลาออกจากราชการครูในปีพุทธศักราช2483ทำให้บิดามานดาเสียใจเป็นอย่างยิ่งในความที่เรา เป็นผู้ธรนงในศักดิ์สีความชิดจึงทอดยาวไกลไปข้างหน้าปรารถนาที่จะศึกษาต่อให้มีความรู้สูงขึ้นวันหนึ่งได้นอนทอดถอนใจคิดถึงชีวิตว่าเราจะดำเนินชีวิตไปทางไหนดีจึงคิดว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพคงจะเป็นการดีจึงเข้าไปลาท่านบิดาและมารดาคิดว่าเงินที่มีนิดหน่อยคงพอที่จะไปสแสวงโชคข้างหน้าได้ ยังเดินทางเท้าข้ามป่าดงร่อนแรมไปกับเพื่อนข้าที่ไหนหนอนที่นั่นจากอำเภอวาปีปทุมถึงอำเภอบอระเบือจากบอระเบือมุ่งตรงสู่สถานีรถไฟอำเภอบ้านไัยได้ขึ้นรถไฟไอน้ำชั้นที่สามใช้ฟืนเป็นพลังรถหัวจักเสียงดังฟืดฟ้าฟืดฟ้าเย็นย่ำค่ำจึงถึงเมื อ, องโคราชเมื่อพักอยู่โคราชหนึ่งคืนได้มีเวลานั่งชิดถึงชีวิต พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพ้นมาคิดถึงบิดามารดาผู้เคยถนอมเลี้ยงจึงตัดสินใจขึ้นรถหววกลับมาบ้านขางป้อมอำเภอวาปีประทุมจังหวัดมหาสา ร, รคามอีกครั้งหนึ่งการกลับมาคราวนี้ตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้บิดามารดาช่ำชื่นจิตใจสมกับที่ท่านรักเรามาพักอยู่ที่บ้านได้ไม่นานนักจึงเดินทางไปสอบบรรจุครูที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในจํานวนคนที่เข้าสอบห้าสิบถึงหกสิบคนเราสอบได้เป็นที่หนึ่งจึงเดินทางกลับบ้านขามป้อมอันเป็นบ้านเกิดด้วยดวงใจที่ชื่นบานอัตราเงินเดือนแต่เดิมที่เคยได้แดบาทคราวนี้จะได้เพิ่มเป็นสิบสองบาทซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยในสมัยนั้นขณะที่เราเดินทางด้วยเท้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดกลับสุธิ ม, มาตุภูมิด้วยความเหนื่อยล้ามีชาวนาคนหนึ่งขับเกวียนผ่านมา เราจึงถามเขาเป็นที่เล่นทีจริงว่าวัวและเกวียนนี้ขายไหมเพื่อนเขาตอบว่าถ้ามึงกล้าซื้อกูก็กล้าขายแล้วมึงจะขายเท่าไหร่เราถามเขาเขาตอบว่าสิบสองบาทเราจึงควักเงินออกใจ่ายในทันทีกระโดดขึ้นขี่เกวียนขับกลับบ้านอย่างสบายใจและสาใจที่ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราชันสร้อแปดสิบสาม เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลสวนจิกอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพุทธศักราช2485ในย้ายไปเป็นครูสอนที่บ้านเหล่ากุดน้อยตำบลสวนจิกอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดมีเรื่องเล่าว่าในเอดีตสมัยที่ท่านหลวงปู่ศรีเป็นครูท่านมีเพื่อนสนิทสามคนที่ฝากเป็นฝากตายได้กินดื่มเที่ยวด้วยกันคือครูนิยมครูนาคครูศีลา สหายครูทั้งสี่คนมีนิสัยคล้ายคลึงกันคือทำอะไรทำจริงถ้าเที่ยวก็เที่ยวเสี้ยจริงๆถ้าจินดื่มก็จินดื่มเสี้จริงจแต่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเสียหายและก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดสหายครูทั้งสี่นี้เป็นที่ลือชื่อในถิ่นว่าปีปทุมนี้เป็นอย่างมากเล่ากันว่าเมื่อถึงเทศกาลประจําท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งสหายครูทั้งสี่ ชอบเดินเข้าป่าฆ่าวัวแต่หลวงปู่สีในวัยหนุ่มท่านไม่ร่วมมือฆ่าด้วยสหายครูทั้งสี่ได้กินเนื้อวัวจนหมดเดินกลับออกมาวัว น, นั้นคงเหลือแต่ซากโครงกระดูกไม่เหลือเลือดเนื้อให้สัตว์บุคคลที่ไหนได้กินกันอีกต่อไปสายครูทั้งสี่ทำอะไรจึงเป็นที่สงสัยงง ง, งันแกผู้คนถิ่นแถวนั้นและมักมีการซุบซิบนินทากันอยู่เสมอว่าครูพวกนี้มันเป็นครูหรือว่าเป็นผี ถ้าว่าจินก็จินเสียจริงๆถ้าว่าเมาก็เมาจนหัวทิ่มหัวต่ําคลําทางกลับบ้านไม่ถูกถ้าว่าทํางานก็ไม่รู้จักเข้าร่มตากแด่ทํากันอยู่ทั้งวันตำนานเหล่านี้แม้นานมาแล้วก็ยังมีผู้เท่าผู้แย่เล่าขานให้ลูกหลานฟังกันไม่รู้จบหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเล่า ว, ว่าในสมัยที่ท่านเป็นครูนั้นท่านจะมีนิสัยแตกต่างจากเพื่อนครูคนอื่นบ้างนั่นก็คือ นอกจากจะจินดื่มและทําการงานจริงในทางโลกแล้วแม้ในทางธรรมก็เอาจริงเอาจังไม่เคยย่อหย่อนจิตใจฝักไฝในทางพระพุทธศาสนาสม่ำเสมอเวลาบ่ายสี่โมงพระท่านตีโป่งแรงโปงคือเครื่องตีบอกเหตุการณ์ต่างๆและบอกเวลาลรรักษณะคล้ายระฆังแต่เป็นไม้คือใช้ตีในเวลาเย็นหลวงปู่รีท่านถือว่า เป็นเวลาเลิกสอนหนังสือเพื่อเข้าวัดฟังธรรมชักชวนชาวบ้านร่วมกันสร้างพระไตรดกถวายในวัดวันพระโรงเรียนหยุดเข้าวัดจำศีลเราทำอย่างนี้อยู่ตลอดจนกว่าจะได้ออกบวชปีพุทธศักราช2485ห้าเป็นธรรมดาของครูในสมัยนั้นไปที่ไหนมีแต่คนเคารพนับถือยิ่งเรื่องหญิงสาวด้วยแล้วเป็นครูผู้ชายมักจะชอบแอบมองคอน มีผู้หญิงที่รู้จักมากมายแต่ในที่สุดก็ปลงใจในความรักกับนางสาวสรแสนเยโมลอายุ22ปีซึ่งเป็นลูกสาวของนายสุธรรมาแสนเยโมลและนางล่าแสนเยโมนนายสุธรรมาเป็นนายฮ้อยที่มีชื่อเสียงมีที่ดินมากมีควาย40ตัวการแต่งงานนั้นพ่อแม่และญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัดการเรียกว่าจับขมมจอมขวัญ สินสอที่เจ้าบ่าวนำไปแต่งเจ้าสาวจำนวน12บสองบาทซึ่งเป็นเงินไม่น้อยในสมัยนั้นแต่งงานอยู่จินกำนังสอนผู้เป็นภรรยาสร้างบ้านเรือนกิดกับบ้านพ่อตาตามประษาชาวโลกทั่ ว, วไปสุขบ้างทุกบ้างอดบ้างอิ่มบ้างจนได้บุตรธิดาสืบสกุลสี่คนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสามคน